เป็นธรรมานุปตสนามหาธิฐานนนสูตรหลับให้หลับในขันห้าอย่างทิ้งไปก่อนเพราะว่าถ้าแนะนําตรงนี้เลยทีเดียวทุกคนเป็นพระหลันหมดถ้าปฏิพาน์หมดจะลดข้าวเก็บไว้ก่อนนะเป็นัยผู้ป่าทานาขันแกเยเ็นไปไว้ก่อนคือว่ามหาธิติฐานนั้นสูตรนี่ พระพุทธเจ้าทรงหวังผลสองอย่างเพื่ออนาคามีกับพระอระหันต์ฉะนั้นตอนต้น็ข อ, ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาตอนตอน้นไว้ก่อนตอนต้นข อ, ขอมหาติวตานดสูตรเพื่ออนาปานุสติคือการรู้ลมเข้าลมออกอันนี้สำคัญมาก <c oughs> ถ้าจะทำกองไหนก็ตามรับแรกต้องจับลมในใจเข้าออกก่อน หายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็ทราบในระนนดับแรกจริงๆเอาแค่รู้เข้ารู้ออกก่อนหายใจเข้ารู้ใจออกรู้เพราะว่าไปคืนคิดว่าหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้น ม, าามันจะลำคันต่ อ, อไปเมื่อเกิดความชานาญชานาญในการลมเข้าลมออกแล้ว นี่ก็จับอารมณ์เวลานี้ห้ใจเข้ายาวหรอสั้นห้ใจออกยาวหรอสั้น <c oughs> ในเที่ยวก่อนโน้นมีญาติโยมมาถามว่าจะภาวนาด้วยได้ไหมก็ขอตอบว่าภาวนาด้วยได้ถ้าเดยถามว่าคำภาวนาว่าอย่างไรก็ฟังขอตอบว่าตามใจชอบคำภาวนานี่ไม่จำกัดสมมติว่าจะภาวนาว่าพุทโธ หายใจเข้านึกตามมาพุทธ ใ, ใจออกนึกตามมาโทอาจจะภาวนาว่านามาภะทะหายใจเข้านึกวันะามะออกเมพภะทะอย่างนี้เป็นต้นเวลาใดที่รู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกรู้คําภาวนาเวลานั้นที่วันปิจิตของทุกคนเป็นสมาธิแต่เวลาที่ทรงสมาธิก็เป็นธรรมดาจิตเย่อตกคลายแต่น้าเขายิบบอลบ้าง มีวรณ์ตัวที่สี่หรืออุจจระได้ความพุ่งสั้นหรือลำขาดอุจจาระกูจกระนะที่เวลาภาวนาไปภาวนาไปก็จะมีรมอื่นแทรกเข้ามาลืมทำภาวนานลืมรูล้ลมหายใจเขาออกอันนี้ถือไม่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอรู้ตัวขึ้นมาก็เริ่มจับลมหายใจเขาออกใหม่ทําตามแบบนี้นะในการต่อไปการหวังผล การปฏิบัติจริงๆนี่เขาบรรดาทใจบริษัท ต, ต้องหวังผลถ้าเราไม่หวังผลมันก็เหนื่อยนานหน่อยจะเหนื่อยมากได้ผลน้อยคนที่จะต้องการก็ไม่ใช่อารมณ์เป็นสมาธิแน่วแน่ก็มีหลายท่านสนใจแค่สมาธิแน่วแน่ถ้ามีอารมณ์ดิ่งทรงตัวนานและมีอารมณ์ลึกเราชอบใจแต่ความจริงการชอบใจอย่างนี้ไม่ผิดถูก แต่ว่าถ้ามันมีความหวังในก่อนจุดใดจุดหนึ่งก็ถือว่าผลดีจะอยู่ใกลผลถ้าต้องการให้ใกล้ผลคำว่าสมาธิคือการตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอารมณ์ทรงอย่างนั้นถือเว็สมาธิในตอนนี้ก็ต้องจับอารมณ์ของพป้โสดาปฏิผลเรื่สกิทาคํามีผลก่อน ตามแบบของท่านในเวลาปฏิบัติจริงๆบารมีศิษ์มีความสำคัญกับบรรดาท่าพุทธบริษัทมากเมื่อสมัยก่อนที่ปึกอยู่ครูบาอาจารย์ท่านสายงให้เขียนบารมีศิษย์ไข้าดินนอนต้ลืมตายขึ้นมาอ่านบารมีศิษ์ว่ามีอะไรบ้างแห้ก็ตัดสินใจว่าวันนี้ทั้งวัน เราจะไม่ยอมพลาดจากบา ร, รมีสิทจะทําให้ครบถ้วนคือมีกําลังใจครบถ้วนแล้วไว็นธรรมดาใหม่ๆต้องพาคบ้างเป็นของธรรมดาเวลาที่จะเข้านอนก็ดูก่อนว่าบา ร, รมีสิทวันนี้เราบกพร่องข้อไหนถ้าบกพร่องข้อไหนที่ว่าวันต่อไปเราจะไม่ยอมให้บกพร่องบา ร, รมีสิที่เป็นกําลังของมรรคผลถ้ามีบา ร, รมีสิทครบอย่างอ่อน บารมีสิทธะครบแต่อย่างอ่อนจะเป็นบุญผลดาวที่สิทธาคามีให้กำลังบารมีสิบปั่นกลางเข้มข้นปั่นกลางทรงตัวดีเพอทุงคนก็จะเป็นปัจจัยเกิดใใได้ไพระอนาคามีถ้าบารมีสิบเข้มข้นที่สุดทุกทุ ก, ทกบารมีที่เรียกว่าป ร, ม, ารมัตุบารมีให้ปรามังเด้่มอย่างนิ่งเต็มเต็มอย่างยิง่งอย่างนี้เป็นปัจจัยเกิดให้เป็นพระอาหารหันต ฉนบารมีตั้งสิบรายการนี่ขอญาติโยมทุกบริษัทจะเียนไว้วางไว้ข้างที่นอนที่แผ่นหนึ่งนะั่นแผนเดียวกันก็ได้เขียนโตโ ต, โ ต, โตนะอ่านชัดๆที่แผ่นหนึ่งก็เขียนสังโยติสิบถ้าสังโยชติสิบมีสิบถ้าทำถึงสิบเราเป็นพระอรหันต์ถ้าทำละได้ห้าข้อเป็นพระนาคามีละได้สามข้อเป็นพระโสด า, ดาบานันนิสกิทาคามี อันดับแรกคอยเขียนไม่แค่เป็นโซดาบัญก่อนจะได้ไม่กลุ่มขอ้อที่หนึ่ส ก, กายทิพยิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของเราเรามีร่างกายร่างกายมีในเราเป็นต้นเรื่องนี้แปรมผิดให้เกิดความรู้สึกว่าร่างกายที่มันไม่ใช่เราไม่ป็นของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าถ้าเห็นว่าอย่างนี้นะยุ่งไม่ได้ ว่าเห็นกายเห็นว่า่างกายไม่ใช่เร า, ไ ม, เราไม่ใช่ของเรานี่เป็อารมณ์ราถ้าอารมณ์โทดจันรให้กําลังต่งกว่านี้ให้มีความรู้สึกแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันต้องตายเราก็ตายคนอื่นก็ตายมีความตายมีสภาพเหมือนกันหมดที่แค่นี้แต่ข้อที่สองวิจิต ร, รชา้าไม่สงสัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้ า, าพระธรรมพระอริยสง ยอมรับทัือที่ความจริงได้ข้อดีสามทีลประาประาณมากมีสินห้าในกรหนดสิครบท่วนและก็สี่พิเศษนี่ไม่ใช่สังโยชน์แต่อารมณ์ที่ต้องการจิดมุ่งฝังบฤิการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้ารักษาไมกกนจัดความรู้สึกชั่วในสังโยชน์สามรการได้แล้วสังโยชน์สังโยชน์มันคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตาย ที่เราต้องคิดต่างความเป็นจริงร่างกายนี้ต้องตายยอมรับนับถือความตายว่ามีแน่นอนและยอมรับนับถือพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสัจสองแน่นอนมีสินห้บริสุทธิ์มีกรรมบทสิบริสุทธิ์และข้าฆ่าจิตฝังนิพพานอย่างนี้เป็นมรโสดาบันแน่และสุกทาคํามีเอาทานี้ก่อนใจลงนะขึ้นต้นต้องขึ้นต้นแบบนี้เส ก, ก่อน และต่อไปเมื่อกําลังใจทรงตัวในสังโยชน์สามราการและกําลังใจปลูกฝังในนะใน บ, รบรารมีสิทธิทั้งสิประการอย่างนี้กําลังใจของบรรดานบากว่าพุทธบริษัทจะไม่เคลื่อนจะไม่เสื่อมแต่การทําใหม่ๆกันทั้งเถื่อเพื่อของธรรมดาที่เราคิดว่ามันจะต้องตายเวล า, านั้นเปรมเป็นเวลาที่ปัญญาเกิด เวลาไหนถ้าปัญญาปัญญามันสุดตัวความรู้สึกว่าจะต้องตายมันก็หายไปมัก็คิดว่าเรายังแก่ไม่พอเรายังไม่ตายหรืว อ, อย่างนั้นยราไม่แก่ยังไม่ตายยังเด็กอยู่ไม่ตายแต่ความจริงคือเท่าความตายไม่เลือกวัยไม่เลือกสมัยเราสังเกตได้ว่าคนเกิดที่หลังเราตายก่อนเราก็ก็เยอะคนรุ่นราเขาวดีกับเราตอนก็ตายก่อนเราก็เยอะ เด็กบางคนยังไม่่อจะคันมันดาตายไปกว่าเยอะ่อจะคันมันดาใหม่ๆไม่ทันเห็นเดือยเห็นตะวตายไปกว่าเยอะขึ้นชื่อว่าความตายไม่ไมีนิมิตหมายให้พร้อมตายไว้เสมอแต่ว่ามาคิดเรื่องความตายก็จะ ท, ทําจิตใจหด โ, โททูทําใจสบายมีจิตเป็นสุขว่าถ้าเราชนะสังโยชน์สาม้ายการนี้แล้วขึ้นชื่อวบาบาปเก่าๆทั้งหมดไม่สามารถให้ผล การฆ่าสัตว์การรักทรัพฤ์พิษผิดในการมุสาบาาถึงธรารมีไรที่ทำมาในการก่อนไม่สามารถดึงระบายใบภมได้หมดสิเรามีหวังอย่างต่ำคือสวรรค์ได้กล้าต่อไปคือสมมาโลกต่อไปที่สุดก็คือวิถีฐานอันนี้เป็นอันนี้สงต่อ น, นี้ไปก็จะขอพูดเรื่องมาหาวิบฐานสสตดจะดูใครจะหลับก็ไม่หลับ ว น, นียามพระเบียร์ทางตาวันนี้เป็นวดเป็นวดรูปปาทานอุปาทานในวาการยึดมั่นถือมั่นอุปาทา น, ใ น, นในปัญญาปัญขันห้าวาร า, านาขันคือรูปเวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณในเชิงเริ่มหลับองตรงนี้ รูปคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นนตาอย่างกายร่างกายทั้งหมดเวทนาสัญญาสัญขนันญาณนี้เป็นนมามธรรมพระพุทธเจ้าทรงแนะนําไม่เออยอะๆว่าเห็นรูปจะมีความเข้าใจตามความเจียงรูปไม่เกิดขึ้นมันก็ดับเกิดแล้วก็ตายไอ้คำว่าดับก็คือตายเวทนาความสุยอารมณ์ก็ไม่มีความแน่นอนรูปนี่ก็ไม่แน่นอนนะ เกิดเป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปก็เริ่มแก่ต่อไปก็ไม่แก่หงอมอย่างฉันนี่ก็ไม่แก่หรือหอมยังหงอมเ <c oughs> <c oughs> มันหงอมงอมหรือก็งอมจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้วในที่สุดลูกก็าตายตัวเกิดขึ้นท่านเรียกว่าเกิด ตัวตายเที่ในวันดับแล้วก็ดับใหญ่ไม่ใช่ดับเล็กให้ดับเป็นวันๆดับในลายเราไม่ต้องพูดกันเปลืองหูเปล่าเป็นนั้นว่าการเกิดมีขึ้นความตายก็ต้องมีตามมาต้นขึ้นที่ว่ารูปเอาความแน่นอนของรูปไปใหญ่รูปมันมีการดำงตัวการนี้นเวทนาเวทนาความสวยอารมณ์ก็ไม่แน่นอน บางเพียรรมดีเกิดขึ้นเราต้องการให้มันดีตลอดไปมันก็ไม่ดีเพราเดี๋ยวดีหายไม่ดีโตขึ้นมาใช่ไหมทำง่ายๆนะสัญญาที่เกิดความจําความจํามันก็จําไม่ได้จริงหรือก็ลืมเวลาต่อมาแล้วตัวโพยะลืมก็จดจดแล้วก็ลืมอ่านดีไหมฉันมีปกติคือไม่เคยทราบนะนี่มาเอาแน่นอนไม่ได้ แล้วก็ต่อไปก็สังขารคืออารมณ์อารมณ์ที่ปรุงแต่งใจปรุงแต่งจิตสังขารในใจอารมณ์ที่เป็นบุญหรืออาุญญาไปสังขารอารมณ์ชั่วหรืออุญญาไปสังขารอารมณ์สงัดใช่อเนินชาไปสังขารอารมณ์สงัดที่กนิพันธ์เรื่องความว่าอารมณ์ที่เรารุงจิตใจมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็เป็นบุญเดี๋ยวก็เป็นบาป เดี๋ยวก็ดีเดีก็เร็ ว, เ, ร ว, เ, รวเอาวาเอาแน่นอนไม่ได้แ้วก็ต่อไปเรือวิญญาณใช่ไหมต่อไปก็วิญญาณถามคนใบไหมตอบกาลังจะหลับไอ้วิญญาณนี่ก็ถเถียงกันมากๆบางคนบอกวิญญาณกับจิตเป็นตัวเดียวกันอันนี้ก็ใช่ถ้าก็บอกวิญญาณกับจิตไม่ใช่ตัวเดียวกันก็ใช่อีกไม่ผิดนะ ฉันพูดเองตอบเองไม่มีอะไรผิดหรอกถ้าบอกวิญญาณตัวนี้กรจิตเราลงคิดก็ใช่แต่ถ้าจริงๆรงแล้ววิญญาณในขันห้าไม่ใช่จิตวิญญาณในขันห้าส ม, มัยนี้เขาเรียกวิสาตถ์เห็นว่าเวลาตายรูปปัตนิสัญญาญขารวิญญาณดับจิตไม่ไ ด, ดับคือวิญญาณดับวิญญาณตัวนี้คือความรู้สึกความรู้สึกก็ไม่แน่นอนอยู่ข้างนอก ร้อยเกินไปอยู่ในใกล้แอจัดเย็นเกินไปใช่ไหมแค่ําคาญแอแอร์ก็ําคาญเรามันก็บนไอ้คนนี้ไม่แน่นอนก็จะโม้ไปคนตอเดี้เราก็ไปสุขเนี้ยเเดี๋ ย, ยก็สัมผัสความประสบเนี้ยสัมผัสความทุกข์ความรู้สึกของร่างกายไม่มีการทรงตัวในสุดก็สลายไปเนี่แ ว, ว่ากนาัปาตาหนขันเอาของย่อยๆนะ พัฒนามากไปมันไม่จบขอพูดย่อกล้องความว่าการพิจารณากรรมฐานกองนี้พระเจ้าแนะนาว่าจงยายึดถือเป็นสำคัญมันไม่มีความแม่นของอุปาทานยึดถือแม่นของเอาแน่นอนอยที่ว่าเกิดแล้วมันต้องไม่ตายลูกเกิดขึ้นมาแล้วมันหนุ่มมันสาวต้องไม่แก่และต้องไม่ตายแก่แล้วก็ยังไม่อยากตายใช่ไงม อย่างฉันได้แก่แล้วชัยดวงแก่เลี้ยวใช่ไหมดีไม่ดีเรียยวไปวิ่งเราซะแล้วก็รองความว่าท่านบอกจงอย่ายึดถืออารูปเป็นสําคัญรูปไม่เกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นได้ว่าตายจิตเราคิดว่าถ้ามันไม่ตายได้ความตายถ้ามัถึงก็จะมีความเดือดร้อนมีความกุ้มใจไอเวทนาการสวยอารมณ์ก็ชิ่นเดียวกัน สัญญาความจําก็เหมือนกันสังขารอารมณ์ปรุงแต่งใจก็เหมือนกันวิยายความรู้สึกก็เหมือนกันทั้งหมดนี่ไม่เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ไม่ไ ม, มีการทรงตัวท่านยิง่งทรงแนะนําว่าขอทุกคนจงอย่า ย, ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เรามีอยู่นี่นะอันนี้เป็นอารมณ์ของอรหันต์แล้วสิกองนี้ไม่ยักสอนอนาคาเมียเรียกเขาว่าใด อันดับแรกให้สร้างความเบื่อหน่ายนี่อารมณ์อนาคามีนะที่รออารันก็แล้วแต่ก่อนจริงท่านลงอรัอื่นเ่านอ่านแล้วท่นตกใจนี้เปรย์หลันกันหมดท่านอดข้าวที่วันนี้เขามีพานหมดใช่ไหคก็ว่าถ้าเปรย์หันหวันนี้ก็มีพันวันนี้พระอุดข้าวจะไปไม่ได้เลยก็ลองความว่าถ้าใช้อเดี้ยวขมารอรมนาคามี ดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปลูกคือร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีไม่มีการทรงตัวหมายความเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็พัฒนาจาของรักของใจแล้วก็ตายในสดเกิดแล้วก็ดับในเมื่อมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในร่างกายมีการสลายตัวในสดุดอย่างนี้นจะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราได้ยังไง ตามสภาวะของมันที่เกิดมาด้วยกำย ข, อ ข, อของกำลังกิเลสรูปเนี่ม่เกิดมาจากกิเลสได้แก่กิเลสตัณหาปาตาในอุค์สนักกรรมสี่อย่างสร้างรูปให้เกิดในเมื่อกิเลสสร้างไม่มีอะไรเป็นความสุขไม่ได้ความทุกข์อย่างเดียวพวกเราก็ไม่สนใจในรูปคำว่าไม่สนใจไม่หมายความจะไม่เลี้ยงนะต้องเลี้ยงรูปต้อง เวลามันหิวก็ให้มันกินหนาวก็หาความอุ่นมาให้ร้อนก็นหาความเย็นมาให้ถ้าคิดว่าอาการอย่างนี้จะมีชั่วคราวไม่ช้ารูปนี้ก็ับไปเวลานาสัญญาสังขนันญาญิกดับกล้องกันไปถ้าคืนยึดถือยึดมั่นว่ามันเป็นเราของเราแย่ทรงอยู่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราต้องยอมรับั้ำถืองต่างความเป็นจริง ว่ารูเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปนท่ามกลาง ม, มีการสลายตัวในที่สดุดนี่เป็นของแน่นอนแในเมื่อใจคิดอย่างนี้เมืการทรงตัวถ้าเมื่อรูปร่างของเราเป็แก่ขึ้นเราก็สบายใจว่าชอบและทราแล้วมันจะแก่ถ้าการป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นเราก็ไม่ทําให้หนักใจร่างกายมีทุกขเวทนาจริงแต่ใจมีทุกไปด้วย เรทราบแล้วว่าการเกิดขึ้นมาต้องมีการป่วยไข้สบายสลับฉาติกันและต่อไปการพักผ้าจะของรักของเจอบใจเท่ามีขึ้นเราก็ไม่หนักใจเพราถือว่าการเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องพบสิ่งที่เป็นความจริงคือความการพักผ้าจะของรักของจอบใจอย่างบิดามารดาท่านเป็นผู้ใหญ่ไปที่พึ่งของเราเราหวังให้ท่านอยู่ตลอดการตลอดสมัยท่านก็อยู่ไม่ได้ ท่านคงไม่อยากตายแต่มันก็จะตายคนรักของเราต้องการให้อยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่ก็ไม่แน่นักบางครั้งบายก็แจกกันจากกันทั้งเป็นบางรายก็แจกจากกันเพราะความตายร่วงความทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสรุปแล้วสิไม่มีอะไรทรงตัวเป็นของหน่าเบือ่อแล้วก็ทําใจให้เบื่อตามความจริงเบื่อใครรู้ไหม เบืเ่อชาบ้านเบื่อง่ายแต่เบื่อตอนตัวเราเองเบื่อยากใช่ไหมใครก็ยังไงก็ตามกูสวยเลยใช่ไหมดีไม่ดีฟันเด้อสี่เดียวก็ยังสวยผมหลอกหมดหัวก็ยังสวยหัวร้านเกลี้ยงก็ยังสวยโหัวแท้จะกิบใช่ไหมก็กรื่งความตั้งตัดที่ตัวการตัดคนอื่นมีความหมายน้อย ต้องตัดที่ร่างกายเร า, เราดูความจริงของร่างกายของเร า, าร่างกายพวกเราเมื่อเกิดใหม่ๆรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องคิดคิดกนนึกไม่ออกต่อไปเมื่อเป็นเด็กโตเคยถ่ายภาพอะ้รบ้างไหมถ่ายภาพไว้บ้างสมัยเด็กโตเรามีร่ร า, างเป็นยังไงพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเริ่มเขาทั้งใบกลางคนสภาพเปลี่ยนแปลงกันแบบไหน แกรูปร่างเป็นยังไงถ้ามองโดน ล, ลูกเราก็เริ่มเบิดความไม่จริงจังของลกูกการไม่ตรงตัวของลกูกเราก็จะคิดว่ารูปนี่เราเลี้ยงที่สุดยิ่งกว่าใดจะ่ใครๆทั้งหมดมันหิวก็หาอาหารให้กินมันหนาวก็หาของอุ่นให้มันร้อนก็หาของเย็นให้แต่ในที่สุดมันก็ไม่เคยตามใจเรามันตามใจมัน เลี้ยงเท่าไร่มันก็แก่เลี้ยงเท่าไหรมันก็ป่วยนะกินดีแบบไหนอยู่ดีแบบไหนมันก็ตายเครื่องความขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เหมือนก็บโลกของเราเองไม่มีอะไรเที่ยงแท้เน่นอนเป็นของน่าเบื่อถ้าความเบื่อเกิดขึ้นเบื่อจริงๆนะค่อยๆเบื่อเบื่อเบาๆก่อนนะจนเบื่อแรงวันหนึ่งขอให้ทุกคนเบื่อสักหนึ่งนาทีพอพอไหม ถ้เบืจริงๆขอหนึ่งนาทีเอาเวลาไหนก็นแน่เวลาตื่นใหม่ๆจิตว่างใช่ไหมอารมอ์ยังสบายคิดเรื่ร่างกายเราเทียบกับร่างกายคนอื่นคนอื่นนี้เกิดเสมอเราลร้งกายรูปร่างแบบนี้เกิดเคลื่อ น, นเกิดก่อนเราแก่มากกว่า น, นี้เมือได้ยุมากแก่งอมก็คิดว่าสมบัติทั้งหลายทั้งหมดมันตกมาถึงเราทั้งหมดไม่มีใครก็ดาไมโลงอื่น สภาพขคนป่วยเราเคยป่วยอาจจะมองไม่เห็นตัวเรานึกถึงความป่วยที่ผ่านมาบ้าหน้าป่วยมิตสุขเวทนาอีพีก็มองคนอื่นนก็ป่วยหนักหนักว่าเราก็ต้องป่วยแบบนี้มองเบีีว่าไม่ให็มองคนตายไม่ช้าแล้วต้องตายแบบนี้เลี้ยงเกือบย่ำแย่มันก็พังเนื้ตใยสร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นฉันเรียกวันนี้ปิทา ย, ยา เป็นอารมณ์ของพระอนาคาวีค่อยคอยเบื่อนะยันทุกคนขอเป็นพระนาคามีสักวันนากนาทีก็พอพอมาใจร้องพอแล้วปกติไม่ได้เลยมั้งเราเป็นตอนไหนพระนาคาวีถ้าจะเป็นพระดดดตอนเข้าสวมเก๋นะเข้าสวมอารมณ์เป็นสดกราคิดว่าอุจจาระจะออกมาจากด้านกายมันเหม็นสกปรกโสโครก จ ร, จริงๆแล้วอยูในร่างกายของเราออกมาแล้วมือแตะก็ไม่อยากจะแตกใช่ไหมล่าก็ไม่อยากจ ะ, ะมองก็ดูร่างกายของเราสกปรกแบบนี้ <c oughs> ร่างกายคนอื่นจะมีสภาพเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงแกลง่ลงไปสุบทรงลงไปตายในสุพรรณหน้าเปลือถ้าความเบื่อจริงๆเกิดขึ้นวันานี้ก็ต้องขอชมความดีของอันดาเนพุธบริษัท ตอนการเบื่อวันนั้นนาทีสองนาทีให้มันเบื่อจริงๆไม่ต้องมากเลิกแล้วก็ไม่เบื่อถ้าถามว่าผลความเบื่อเล็กน้อยจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องขอตอบว่าตอบว่าถ้าใครต้องการพันธิพันบ้างมีความรักพันิพันจริงใจไหมถ้ามีความรักพันิพานาจริงใจเวลาที่ท่านป่วยหนักใกล้จะตายไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันจะรวมตัวกัน ตัวนี้ิทายานิจิเข้าวรวมตัวกันความเบื่อจะเกิดขึ้นเต็มอัตราเมื่อความเบื่อในร่างกายเกิดขึ้นท่าตายเวลานั้นไปในพานทันทีเห็นไหมเือว่าถ้าจะหลาดไม่ต้องทุ่มเทมากนะนี่ต่อไปข้อสุดท้ายพระเจ้าตัวแนะนำว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่มีความมัรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโลกไม่มีอะไรทรงตัวอุปาทานยึดมั่นว่ามันทรงตัวใช่ไหมเที่ยท่นแก่ว่าความจริงแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมีการเปลีย่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายเราเองก็ไม่มีการทรงตัวมีการสลายในที่สุดร่างกายคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันร่างกา ย, ยก็ใส่ก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกัน <c oughs> ตัวความทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเหมือนกันหมด ในเมื่อสภาพเป็นอย่างนี้เราก็วางเฉยนี่เป็นสังขารเป็นข้ายใหญ่อารมณ์นี้แปลอารมณ์อหันตรายตรง <c oughs> คำว่าวางเฉยหมายความเฉยในอารมณ์แต่การปฏิบัติบำรุงรักษาต้องมีเปนของธรรมดาหิวให้กินป่วยรักษาจิตเข้าไปวางเฉยถ้าความแก่เกิดขึ้น จิตใจก็ไม่ไดิน้นรนไม่เบื่อแล้วตัดเบื่อเลยเบื่อไปให้เบื่อยังมีกลรรุ่มใจ <c oughs> ที่ตอนนี้สังขารเปรคยาไม่เบื่อเฉยอารมณ์ปกติเมื่อความแก่เกิดขึ้นก็บอกว่าฉันทราบมานานแล้วว่าเธอจะแก่อยากจะแก่ก็แก่ไปเธอพังอะไรไนี้ไปใผ่านเมื่อ น, นั้นแต่การป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นจิตแล้วก็ทราบแล้วว่าจะต้องป่วย จิตใจก็เป็นสุขก็คิดว่าถ้าป่วยก็รักษาเป็นการระงับเวทนาถ้ารักษาไม่หายไม่าตายก็เฉยสภาพความตายมันเป็นมันต้องมีกับเราแน่นอนไม่เมื่อร่างกายที่มันพังมาหลายชิย้นไปมันพังเหมื น, นั้นจิตก็เป็นสุขอ่เป็นสังขาเรเบียดยานทําได้ไหมอรมาลันได้เข้าวส่วมไม่มีใครควรใช่ไหมจะที่ไหนก็ตามมีผลเหมือนกัน จะก่อนหลับหรือก่อนตื่นก็ได้เวลากลางวันอาจจะทํำงานกลางคืนอาจจะมีธุระวันนี้เวลาก่อนจะหลับไม่มีธุระใช่ไหมเอานิดหนึ่งที่ศาสตร์ถึงหมอนนอนคิดจับพระพุทธเจ้าก่อนถ้าหลังจะนั่นก็มาทบทวนร่างกายมันตายแล้วไม่ตายก็ยอมรับความตายมันมีแน่เมื่อความตายมันมีเรามีที่พึ่งได้อย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรียสง่์ ยอมรับนับถือแน่นอนไหมถ้าความแม่นองในจิตมีล้วก็สบายใจแล้วว่าเรามีที่พึ่งแล้วต่อไปกําแพงกัน้นธรรมไยภูมิมีไหมคือสินห้าเรีกว่าหมดสิทิถ้าสินห้าไม่บกพร่องหรือกำหนดสิทธไม่บกพร่องแล้วถือว่าเรามีกําแพงกัน้นธรรมไยภูมิแล้วขึ้นจิตวิปลา ท, ทั้งหมดที่เราทํามาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลคือไม่มีโอกาสดึงไยภูมิไยบายภูมิอีก เรามีค่าที่อย่างเดียวตายจากความเป็นคนไปสวรรค์หรือไปพรหมหรือปณิพานต่อ น, นั้นมาก่อนจะลัก็หวนจับอารมณ์ขมหมาติฐานนสุทธ์ปาตานขันเราคิดว่าเราจะไม่ยึดถือไม่ยึดถือทุกเสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็ของเราก็มีอะไรเป็นพิพึ่งของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติของโลกมันคือร่างกายเราร่างกายคนอื่นร่างกายของสัตว์วัตถุธาต ไม่มีการทรงตัวเราจะวางสวลยการอย่างไรเกิดขึ้นมาถือเรื่องธรรมดานของมันเขาห้ามไม่ได้ในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ปล่อยมันถ้ามันยับยั้งไปไงเราต้องการอุปานก็ง่ายมไม่ยากนะถ้าท่านทำได้วันนิดจะหน่อยนะดูตัวอย่างพระจุลันบันทกพระจุันบันทุกมันมีนิพิธา ย, ยางนิดเดียวสมัยดึกจาปัน ตาบาลีท่านบอกดึกดำบรรณมยาให่ตีเตกาเล่ถ้าบอกสมัยดึกดำบรรณพระจุลบรรทกเป็นพระมากรกษ์เลียบนครเหื่อมันออกมากอาพายเช็ดหน้าเช็ดตัวแล้วผ้ามันเปื้อนเหงื่อท้ามองดูว่าร่างกายของเราสุขภกแบบนี้ชลึกถ้าเกิดความเมื่อยในร่างกายคิดเท่านี้เองนะและก็ไม่ได้คิดอยู่เลย ต่อไปเวลาที่จะไดาจสเร็จอราตผลพระพุทธเจ้าทรงให้ใช้ภาชนะมือเกลือกอใสกุศเก่านิพายายเก่าข้อหนุนเป็นพระอรหันต์ท่านที่กันใดใมเกลืความเวลาหมดเป็ด้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในเวลา28วินาทีก็ตอนนี้ไปของได้ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานสิ่สมาทานกรรมฐาน คอจะไปไม่ไหวฉันเลยลอดลมเจ็คอไหวข้าเลยจโยนโสมพรกวารังสมาสมุทโทโยโซมพระวาังสมาสมุทโทขคาตัวเย็นนะกวา ธัมโมสวาคโตเยนาปะพาตาธัมโมปะิปันโนยัสสะปะคะวะโตสาวกสังโฆสปะิปันโนยัสสะปะคะวะโตสาวกสังโฆยังมะเกวันตังจะทำมังจะสังขังแล้ว อิสัตกาเรหิยะาลังอโรภิเตหิอิูชยามะเมิสตกเริยัโิเติภิูชยามะุโนันตวิคาระนิโตอัี ปุตตภิมาจนตาลูกัมบะมานัสสัปุตติมานตาลูกัมบะมานัสสัเมสการีุกะตาปัญญาคารภูเตปิคันหาตุเมสกรุตปัาาภูเตปิันหาตุกงีรตังิตายสุขาย สมมาสมุทโภควาอะระหังสมมาสมุทโภควาังัังอวาีมโตังวันตังอภิวเวาาตว ปัณโนกคขวตัตโตสาวกัังโวสุปฏิปันโนปคะวตโตสาวกัังโวจางคังนามามีจางคังนมันตอนนี้ไปพุทธญาติจึนย่อตั้งใจสมาทานที่นโมทัสสะภคะวโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กุโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมมาสัมพุทธัสสะ มังเสระนังขจามิขังเสระนังขจามิทุต SO well ิยม really ีพุทังเสระนังขจามิทุติยมีพุทธังเสระนังขจามิทุติยมีธรรมังเสระนังขจามิ ยํมปีสังขังเระนังขจามีอยํมปสังขังเระนังขจามียิติพุทธังสรนังขจามีาธิยัมปพุทธังเระนังขจามีอติัมปมังรนังจามาธิยัมปีสรรมังเสระนัง ข้าชาหมีตาเยีมปีสัมพันธ์สระามนาิปันตเวระมณีสิกขาทังสมาทิยามีปาติปตระมณีสิกขาทังสมทิยามีคินลธนาเวระมณีสิกขาทังสมาทิยามี See, b u a าสมาธิยามสรเมระยาัจจามาตฐานาเวรมณีสิขาปัตังสมาธิยามกาโชนาวรมณีสิขาัตังสมาธิยามวีกาโชนาวรมณีสิขาปังสมาธิยามเจคีตวะทิตวิสัสสนา มาลายคันธวิเลปันนาทาดนะมันดานะมิโพธนทานาเวระมณีสิขาวะทังสมาธิยามินีต สยานามาสยนาวีระมณีสิกขาวาทังสมาทิยามิสุจาศยนามาศยนาเวระมณีสิกขาปะังสมะทิยามิมาเ a ตตาสิกขาวะตาเนศเลนสุขทิยันติเลนาโปคาสัมบทา สีเลนันิโติงยันติตัสสมาสีหลังวิโซนทะเ ย, ย่ตอนนี้ไปพระยายโยนทั้งหมดว่านโมสันจบพร้อมกันรุสมาธานเป็นกรรมฐานนสาน ชามีะาสมเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพุเจ้าทั้งหลายพะพุทเจ้าทั้งหลายอกไกอมกไถวายชีวแด่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแดองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารเจ้าทยเจ้าทั้งหลายนาบารมี พระพุทธเจ้าทุกๆประพระพงค์เ้าพเจรพุทธเจ้าทุกระพระตรเจพุทธเจ้าทุกๆประพระธรรมะพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายทูบายจานทั้งหลายดูาจาทั้งหลายสื่กันมาสกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานโคเป็นที่สุดมีหลวงพ่อานัดบานโคเป็นที่สุดขอได้โรเจ้าจิตมิตใบเจ้าอ ขสูภาวะพรกรรมฐานนงสี่สิทธัสนงส่ทธาปีติังห้าปิังห้านญายานแห่งกล่าและนิปัญญาานฐานังสี่สิทธัรรมนังี่ธปีตั้าปีติจังห้าปัญญายานแห่งกล่าวและิปัญาาน เกล้มาบังเกิดปรากฏในกายยธาวันในจีโทวันในมโนโทวันขอข้าพระพุทธเจ้าการาบัตเจนิเธอยกจิตของพระเจ้า สามารกำหนดจิตสามรกำหนดู้ภาวะกรต่างรูภาวะต่างๆหตทั้งเหตุผลอดีตอดีตอนาคตอนาคตและปัจจุบันและปัจจุบันได้ทุกขณจิตได้ทุกขณะจิตักานจะรู้าจะรู้แล้วรู้แล้วเห็นภาพนั้นอเห็นภาพนั้นชัดเจนแจ่จไไมใสได้ชัดเนจนแจ่มใสปิยกรได้ไและปิยกร ความเป็นจริงทุกประการใที่เบบงมันเคยแต่พรเจ้าเได้ที่เงมันเแต่พระเจ้าพระเจ้าไม่รู้เหตนั้นใราไม่รู้เต้ไม่ต้องกำหนดจิต้โดยไม่ต้องกหนดจิตแน่การใดแหะแต่ประการใดนาการะบัตทวเิดาะบเทวีเถิดตอนนี้ไปของบรรดาญาติโยมทุกคนปฏิบัติตามมัติยาไซถ้าญาติโยมท่านใดไม่เคยปฏิบัติแตก่อน กใ็ใช้ครรนาว่าพุโธเวลาใจเข้านึว่าพุทนาใจออกนึกว่าโธถ้าเคยปฏิบัติํำนานมาจากที่ไหนก็งจงอย่าเปลี่ยนให้ทำตามเดิมสำหรับญาติโยมทีษบนสทิ่ข้องตัวแล้วจะใช้กำลัง อ, งองุาโนยิธิใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะตอนนี้ไปเขาทุกคนเริ่มปฏิบัติได้